ห้าสิบยาบเยที่สะว่ายน้าสวิมมิ n g p o ลโลวันนี้อากาศร้อนอีโรจูชาลาเวดิกาุนดีเราไปสะะว่ายน้ากันไหม มันนสระว่ายน้ำคเวลดามะคุณอยากไปไว่ายน้ำไหมมีกุ้ยีตะกอต้าเลนบุนดาคุณมีผ้าเช็ดตัวไหมมีวัตถะตุนดูบุนดาคุณมีกางเกงว่ายน้ำไหมมีวัตถะยีตะกอตเตดุสตุลบุนายะคุณมีชุดว่ายน้ำไหม มีวัดด้วยสนาหนังเชื่อเสร็จแลปัดดินเชืดุตนยะคุณว่ายน้าได้ไหมมีกูยีตะคอตดมวัชชคุณดาน้าเป็นไหมมีกูดิฟเชยดมวัชชคุณกระโดดในน้าเป็นไหมมีกูนีลเลลูกดูดดมวัชอาบน้าได้ที่ไหน shower กดุ่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหนบัตตลุมารชคุณเกดีเอกดุดีแว่นตาว่น้ำอยู่ที่ไหนอตาโตุดด่นชอัดดาลุเอกรดุ่นไหนน้ำลึกไหมนลโลตุกุไย่ะน้ำสะอาดไหม นีลูสุบรังกาอุ่นนัยยะน้ำอุ่นไหมนีลูโกริ์วิชกะอุ่นนยยะดิฉันหนาวมากนีนูกัดดากระทุกพอดุนนานุน้ำเย็นเกินไปนีลูชาลาชะลักกะอุ่นไอดิฉันจะขึ้นจากน้ำแล้วยิบปุรุนีนู